เก้าสิบสอง n ิติอนุประโยครองลงมาที่สองบีเซ็ตหนิง e ร์เมอ t ทดิฉันโมโหที่คุณนอนกลน d e นค r อสิ่งที่ทำใ t du s นร r k e r ดิฉันโมโหที่คุณดื่มเบียร์มากดิฉันโมโหที่คุณมาช้าดิฉันคิดว่าเขาต้องการหมอดิฉันคิดว่าเขาไม่สบาย j ั g tror han อ r er s ี้เขยู่ฉันคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่ j ั g t ิ o r han sover ฉันคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่คว่าเขายู่งงานกเาหับูว่าอเขาหลับอู่ฉันิานลับูิวาเขอ่ดวตเขาอยวอนนเราหับว่าเราหคว่าีเังิว่านเขามิอีเงหันินมีเากอิอนนี้เาห เราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้านวีหวังเป็นหัวหน้ามิลดิฉันได้ข่าวว่าภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุฉันไ a ้ยินว่าคุณนาดีประสบอุบัติเหตุดิฉันได้ข่าวว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ฉันได้ข่าวว่ารถของคุณพังทั้งคันฉันดีใจที่คุณมาฉันดีใจที่คุณสนใจ ดิฉันดีใจที่คุณจะซื้อบ้านดิฉันเกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้วฉันเกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่ ดิฉันเกรงว่าดิฉันไม่มีเงินแล้วฉ t j ก g i วว e har p e n ไม r ม e d m ิ g